พระธรรมเทศนาแผ่นที่92ลำดับที่4โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านนาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่10กันยายน2559มีชื่อเรื่องว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราบอ ก, กีในคณะ ศรัทธาญาติโยมได้กล่าวอาราธนาขอศินแต่บางครั้งพวกเราไปณสถานที่บางแห่งเราก็บอกมาอยังพันเตติสรเนนสหปัญจศีลานิยาจามะแต่บางแห่งก็ว่ามายังพันเตวิสูงวิสูงรักนัดถายะติสรเนนสหปัญจศีลานิยาจามะแต่เวลาพระให้ศินก็ให้ศิน 5อย่างเก่าแต่ทําไมการกล่าวอาราธนาศิลเนี่ยทำไมจึงมีสองสองอย่างทําไมยังไม่พูดอย่างเดียวกันหรือเป็นศินสองมาตรฐานหรือศินสองอย่างศินห้สองอย่างเปล่าแต่ตามไม่จริงเป็นศินห้าอันเดียวกันแต่ว่าความหมายของการอาราธนาหรือการขอศินถ้าจะแยกแยะแล้วก็เป็นสองจริงๆทีไง ทำไมจึงว่าเป็นสองเรียกว่ามยังพันเตติสระเนนทาหะปัญจศีลานิยาจามะพวกข้าพเจ้าขอสมาทานศีลห้ารวมกันทั้งหมดทั้ง5ข้อแปลว่าขาดข้อใดข้อหนึ่งแปลว่าขาดทั้งหมดแปลว่ากระจุยกันทั้งหมดเพราะมันรวมกันเพราะรักษาศินรวมกันทั้ง5ข้อปัญจศีลแต่วิสูงวิสูงรักนัทธายะ ข้าพเจ้าไม่มั่นใจในการรักษาศินของของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอเป็นสมาทานเป็นข้อๆตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5แต่ถ้าหาว่าข้าพเจ้ารักษาของข้อหรึ่ว่าข้อ5แล้วข้อใดก็ตามที่มันขาดไปก็ยังเหลืออยู่4ข้อถ้าหากว่ามันขาดข้อใดข้อหนึ่งยกสมมุติว่าเรารักษาศินจบแล้วน่ยเราตบยุง ยุงตายก์ายขาดศีนไปข้อหนึ่งข้อที่1ป้านาตีป่านะต่อไปไปเห็นรองเท้าเขาไปสวมรองเท้าเขาขาดไปข้อสองไปเอาขอโมยของเท้าเขาข้อที่3ไปเกาะแก็บสามีภรรยาลูกอึดลูกหลานของเขาคนอื่นเขานะขาดไปข้อที่3ไปโกหกเขาอีกขาดข้อที่4ไปเห็นหมูกินเหล้าก็ไปกินกับเขาอีกเลยขาดข้อที่5้แปลว่าขาดทุกข้อ อันนแปลว่าพิสูงวิสูงขาดไปทีละข้อละข้อแต่ปัญจสีลาเนี่ยถ้าหากว่าเรารักษาสินรวมกันถ้ า, าว่ามันขาดข้อใดแปลว่าขาดทั้งห้าข้อขาดพร้อมกันไปเลยอ่าแปลว่าถ้าอยู่ก็อยู่ด้วยกันทั้ง5ข้ออันนี้คือการขอสมาทานสินอ่าแต่หลวงพ่อทางหลวงพ่อแนะนำหลวงพ่อเขาควรจะรักษาสินทั้งทีควรจะรักษาให้ครบให้ครบบริบูรณ์ทั้งหข้อนะะั่นแหะ เวลาได้มาจะได้อันนี้สงโลได้ทรัพสมบัติมาอันนี้สงแห่งศีลก็จะได้เป็นกอบเป็นกรรมทีเดียวเลยฮะอันนี้ก็คือการอาราธนาศีลเมยังพันเตวิสูงวิสูงก็มมยังพันเตติสระเนัสสะขอให้คณะทัธาญาจโจรเข้าใจตามอันนี้คือพระบาลีจากนั้นก็นะโมตัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค พระหันตะสามมาสามพุทธเจ้าพระองค์นั้นกล่าวนโมถึง 3. จบสครั้งทําไมจึงกล่าวนโมก่อนที่จะรับศีลเพราะว่าศีลที่เราจะรับรักษาเนี่ยจะรับมาปฏิบัติเนี่ยเป็นศีลของพระพุทธเจ้าเป็นแนวความคิดของพุทธเป็นความคิดที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้จากท่านท่านบัรจัดเรื่องศีลขึ้นมาพวกเราได้ฟังได้ศึกษาดูแล้วเออศีลของพระพุทธเจ้า เป็นศีลเมื่อปฏิบัติแล้วทําให้โลกทั้งโลกมีความสงบพรมเย็นเป็นสุขเพราะนั้นข้าพเจ้าเห็นด้วยกับศีลของพุทธะนี่ยวันกอ่อนที่เราจะรับศีลเราจึงว่าน้าโมสามจบหน้าโมตัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกล่าวถึงสามครั้งคือว่าขอนอบน้อมที่เราจะรับศีลแนวความคิดของท่านมาปฏิบัติเราต้องนอบน้อม ต้นความคิดซะก่อนคือความคิดของพุทธะอันนี้คือนะโมสามจบจากนั้นก็พุทธังทำมังสังขังสรณาางคัตฉามิข้าพเจ้าขอยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งพุทธังก็คือพุทธะเป็นผู้ได้พระ อ, องค์ไ ด, ตดออ้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นได้ประกาศพระธรรมคือคําสอนคือพระธรรม 84% ดหมพันพระธรรมมะขัน สอนทุกชั้นเชิงเล่เหลี่ยมให้พวกเราเป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีคือพระธรรมคำสอนของพุทธจากนั้นพระสงฆ์ได้นำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศออกมาเผยแผ่ออกมาแนะนำทาไม่มีพระสงฆ์นำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศเผยแผ่แนะนำพวกเราพระธรรมก็คงจะหมดในยุคสมัยโน้นเมื่อพระพุทธเจ้าพระเนรพลพระธรรมก็คงจะหมด เพราะไม่มีผู้ใดนำพระธรรมออกมาประกาศเผยแผ่เพราะนั้นเราได้รับพระธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะกับพ่อพระสงฆ์เป็นผู้พันนำพระธรรมมาบอกกล่าวพวกเราพวกเราจึงถือว่าเป็นผู้มีพระคุณทั้งพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้มีพระคุณเป็นผู้ประกาศศา ส, สนาพระธรรมคือคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมที่ล้ำค่า พระสงฆ์ก็คือเป็นผู้นําพระธรรมออกมาประกาศบอกกล่าวให้กับพวกเราพวกเราจึงยึดว่าพุทธ ท, งทางธรรมังสังขังสรณงคัดฉามิพระพเจ้าขอยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นทีพึ่งเพราะเป็นผู้มีพระคุณจากนักตรุติยามปีพุทธทางธรรมังสังขังขอยืนยันเป็นครั้งที่สองจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึงตาตียามปีพุทธทางธรรมังสังขัง ข้าพเจ้าขอยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นครั้งที่3ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถึงยืนหยันถึงสามครั้งจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งจากนั้นกล่าวเป็นองค์ศินปาณาติปาตาข้าพเจ้าจงงดเว้นในการฆ่าการฆ่าเราฆ่าเขาเขามาฆ่าเราการฆ่าไปเป็นผลดีเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติว่าจะคิดฆ่ากันเน้อ อยู่ด้วยกันตรงรักเมตตากันสงสารการชีวิตเขาชีวิตเราอันนี้คือพระพุทธเจ้ามองเห็นแล้วว่าการที่จะเบียดเบียนกันไม่เป็นผลดีเพราะนั้นท่านจึงบัญญัติศินข้อที่หนึ่งข้อที่2องธินาธานาอย่าขโมยจะขโมยกันเนะ้อท่าขโมยกันเสียหายทําให้เดือดร้อนถ้าเราไปขโมยพ่อแม่พี่น้องของเขามาเรียกค่าไทยถ้าเราไปขโมย ถ้าเขามาขโมยพ่อแม่ของเราไปเรียกค่าไทยเราก็เดือดร้อนเหมือนกันอไม่ว่าเขาว่าเราถ้าขโมยกันมีขโมยเพราะนั้นอย่าขโมยกันนะให้เขารบสิทธิ์ซึ่งกันและกันคะแน น, นข้อที่สองข้อที่สากาเมสุมิทสาจาราเวระมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขาก็รักสงวนห่วงแหนของเขาในเมื่อเราเป็นล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำเราก็เราก็เสียใจเช่นเดียวกัน พร่อยนั้นต่างคนก็ต่างมีพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้คือสินข้อที่สข้อที่สีมุสาวาถาเวระมเนอย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปต้มตุนหลอกลวงโกหกคนอื่นเขาเขาก็เสียความรู้สึกเขาเสียใจยพราะฉะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันถ้าว่าเขามาเขียนเช็คแดงให้เรานะ เ, เล็กเช็คไม่มีเงินเรามีความรู้สึกยังไง ถ่ายเช็คใบได้น้อยก็ไม่เป็นไรถ้าเิ็เป็นแสนเป็นล้านเข้าไปแล้วเสียความรู้สึกอย่างมากถูกต้มตุนหลอกลวงเราเพราะนั้นการต้มตุนหลอกลวงมีมากมายทุกวันนี้เพราะนั้นการซื่อสัตว์สุจริตต่อกันซื้อตรงต่อกันไว้เนื้อเชื่อใจกันเป็นผู้มีสินพวกเราจะสบายใจด้วยกันทุกฝ่า ย, ยานี่นคือศิทข้อที่สี่ ข้อที่หสุราเมรยะมัชะปะมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนที่ดื่มสุราคัญชายาฝินเฮโลอิ น, นโคเคนจะเป็นชื่อจะมีชื่อหรือไม่มีชื่อก็อตามถ้าเสพและดื่มเข้าไปแล้วขาดสติในเมื่อขาดสติแล้วทำความชั่วด้ทุกอย่างเพราะคนขาดสติในเมื่อคนขาดสติแล้วจะฆ่าใครก็ได้จะขโมยใครก็ลายได้ จะลาบระ ล, ะลวงในสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้จะโ ก, กหกใครก็ได้เพราะมันขาดสติเพราะฉะนั้นศินข้อที่ห้าเป็นสินคุ้มครองเป็นศินว่าใครเป็นคนคนดีถ้าว่าคนที่ขาดสติแล้วจะมียศฐานบรรดาศักิ์สูงสงขนาดไหนมาก่อนก็ตามถ้าเมื่อขาดสติในช่วงนั้นทําให้เสียหายได้ง่ายๆเพราะนั้นเรื่องศินห้าของพระพุทธเจ้าถ้าเรามาวิเคราะห์ดูแล้วเป็นศินที่คุ้มครองโลก เป็นสิ่งที่ทําโลกทั้งโลกให้ร่มเย็นเป็นสุขการอยู่ด้วยการมากมายขนาดไหนไว้เนื้อเชื่อใจกันเพราะเหตุลไยเพราะต่างคนก็ต่างมีศีลไม่รังแก่เบียดเบียนกันในทั้งในที่รับทั้งในที่แจ้งเพราะเหตุไยเพราะต่างคนก็ต่างมีศีลเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันนี่แหละศีลของพุทธะเป็นศีลของพระพุทธเจ้าถ้ามีอยู่ในชุมชนกลุ่มใดในยุคใดสมัยใด ในบุคคลใดในกลุ่มคณะใดานี่แต่ความร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้นศีลและธรรมคาสอนของพุท ธ, ธะที่เรามาวิเคราะห์ดูแล้วเป็นศีลที่ทำให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้นโบราณโบราณปู่ย่าตาทวดปู่ย่าตายายของพวกเรา บ, บรรพบุรุษของพวกเราท่านมองเห็นคุณค่าแล้วท่านจึงได้นารับทำคาสอนของพุท ธ, ธะ ออกมาประกาศเผยแผ่แนะนําสั่งสอนลูกหลานอยากพวกเราท่านทั้งหลายให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมทางว่าพวกเราเป็นผู้มีศีลมีธรรมอยู่ด้วยกันมากมายหลายกลุ่มหลายหมู่หลา ย, ลายคณะก็ไว้เนื้อเชิดใจกันมีแต่ความสุขในชุมชนของพวกเราเพราะนั้นเรื่องศีลธรรมของพระพุทธเจ้าที่พวกเราได้ศึกษาดูแล้วเป็นศีลที่คุ้มครองโลกจริงๆทําให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุข นั้นพวกเรารู้คุณค่าของสินที่อาตมาภาพได้กล่าวได้เรียนให้ทราบนี้ต่อ น, นี้ไปหลวงพ่อเองจะเป็นผู้พานำสมาทานสินนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเลนะนิผูติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทาเย ขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวหลวงพ่อจะกล่าวปารบว่าคณะทรนภูการกับคณะได้มาปฏิบัติธรรมในวัดของหลวงพ่อวันนี้ต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวพอ ก, กล่าวเสร็จแล้วหลวงพ่อจะแนะนำวิธีการนั่งสมาธิเมื่อนั่งสมาธิชักชั่วการชั่วเวลาเสร็จแล้ว หลวงพ่อก็จะได้บอกแนะนำแลวก็คงจะจบจบคอร์สในวันนี้นะเพราะว่าพวกเราคณะจทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนบางทีไปจากไปสำนักอื่นท่านก็พาทำอย่างอื่นแต่ก็อยากจะรู้ความจริงว่าอย่างที่วัดของหลวงพ่อเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วก็ หลวงพ่ออยู่กับองค์หลวงตามหาบัวอยู่กับหลวงปู่ล่าหลงตามหาบัวท่านก็เป็ น, นศิษย์ญาติสิษย์ของหลวงปู่มั่นมาแล้ววิธีการประพฤติปฏิบัติวิธีการนั่งสมาธิภาวนาท่านปฏิบัติกันอย่างไรพวกเราด้วยวิธีการเดินยงกลมท่านเดินกันอย่างไรพวกเราไม่ไม่ได้ไม่ได้เรียนรู้โดยตรง อาจจะได้ยินจากคนอื่นเขาพูดเขาแนะนำเราก็ยังไม่มั่นใจการเราทำเข้าไปนอาจจะผิดผิดถูกๆู ก, ก็ได้แต่ถ้าว่าหลวงพ่อจะแนะนำให้ฟังเออแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านภาวนาอย่างนี้เนอท่านปฏิบัติอย่างนี้ทําตนอย่างนี้อันดับแรกคิดอย่างนี้ทาอย่างนี้พวกเราก็จะได้ศึกษาจากนั้นพวกเราจะได้นาไปปฏิบัติ ด้วยความด้วยความมั่นใจในการปฏิบัติตามแนวแถวสายหลวงปู่มั่นแต่ทราบว่าสายอื่นหลวงพ่อไม่แนะนำเพราะอะไรเพราะว่าหลวงพ่อได้ศึกษามาแนวแถวปฏิปทาสายหลวงปู่มั่นหลวงพ่อก็จะแนะนําสายหลวงปู่มั่นแต่พวกเราอยากจะศึกษาสายอื่นพวกเราก็ไปศึกษาได้แต่ว่ามันจะสับสนทนเอง แต่หลวงพ่อเองก็มั่นใจว่าสายหลวงปู่มั่นเป็นสายที่ท่านเป็นที่ยอมรับกันทั่วนหน้ามากมายแต่ขณะนี้ท่าจะว่าไปแล้วก็คือสายหลวงปู่มั่นเป็นพระเกจิที่ว่าดังที่สุดในเมืองไทยค่ยหลายยังพูดอย่างนั้นเพราะว่าอย่างเป็นหลวงปู่เทศก็ดีหลวงปู่แหวนกว็ดีหลวงปู่ต่างๆหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่ ตาหลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่ามีมากมายที่พระกรรมาฐานทุกภาคของประเทศก็เป็นที่ยอมรับของคณะสิทธยาศิษย์นคณะสัตธายาิโยมทั้งหลายเพราะนั้นเรียกว่าสายหลวงปู่มัน่นจากนั้นท่านปฏิบัติอย่างไรนี่แหละอันนี้ก็หลวงพ่อจะเป็นแนะนำพาได้ศึกษามาสายนี้ เหมือนกับพวกเราเนี่ยถ้าหากว่าพวกเราเรียนมาทางเกษตรเราพวกเราจะแนะนำเรื่องการบัญชีได้ยังไงเพราะมันคนละคนละแนวแต่แนะนำได้อยู่แนะนำได้น้อยหนึ่งเพราะตัวเองไม่ได้เรียนมาทางบัญชีเรียนมาทางเกษตรเหมือนเราเราเป็นเราไม่ได้เป็นหมอเราเรียนมาทางเกษตรและเราเรียนมาทางบัญชีเราจะไปสอนหมอวิธีการแพทย์ก็ไม่ได้ นี้ก็เหมือนกันแต่จุดประสงค์ทั้งทุกแขนงคืออะไรก็คือเงินทำแพทย์ก็มาหวังแพทย์ทำรักษามากับเพื่อเงินทำการเกษตรมากับเพื่อเงินเรียนคณิตศาสตร์มากับเพื่อเงินวิทยาศาสตร์เพื่อเพื่อเงินกฎหมายมากับเพื่อเงินนี้ก็เหมือนกันแต่ละแขนงกับเพื่อพ้นทุก์ในวัฏสงสารถึงแดนพระนิพานด้วยการทุกมูลเหล่า แต่ว่าวิธีการเดินมักงและววิธีการปฏิบัตินั้นมันแปกแตกต่างกันนะ เ, เพราะนั้นหลวงพ่อจะขอแนะนำในภาคจิตภาวนา ถ, ถ้าจะแนะนำแล้วก็จะแนะนำแนวแถวสายลงปู่มั่นนะวันนี้เป็นวันที่10บกันยายนพุทธศักราช2559หวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่ง ท่านผู้การพลตำรวจตรีพีระพงศ์วงศ์สมานผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดอรธานีพร้อมกับคณะพร้อมกับท่านรองและกับคณะมาเข้าสู่วัดเพื่อปฏิบัติธรรมเป็นบางครั้งบางการหลวงพ่อว่าเป็นผลดีสำหรับพวกเราทุกๆ ท, ท่าน อย่างน้อยก็ให้ได้ศึกษาในศีนลธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่ศีลธรรมของหลวงพ่อนะอย่าไปคิดว่าธรรมที่หลวงพ่อพูดไปเป็นธรรมหรือคำสอนหลวงพ่ออย่าไปคิดอย่างนั้นหลวงพ่อเป็นผู้มาเข้ามาศึกษาในหลักธรรมคําสอนของพุทธพอหลวงพ่อบวชมาตั้งแต่เป็นสัมมเนนจนอายุ72ปีขนาดนี้แหละเพราะนั้นหลวงพ่อฝากฝังชีวิต ทั้งชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อมีความคิดเห็นอย่างไรที่ฝากฝังชีวิตไว้อย่างนี้หลวงพ่อจะได้แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะพวกเราก็เป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทอยู่แล้วแต่จะให้ศึกษาลึกซึ้งในพระธรรมจะอ่านตํำรับําราค้นพระไตรปิฎกคงจะทําอย่างนั้นได้ยากเพราะอะไรเพราะเรามีวิชาอาชีพ การสอดสะวงหาเครื่องเลี้ยงชีพของพวกเรามีภาระธุระอย่างอื่นเขามากมายที่จะมาค้นคว้าศึกษาเรื่องศิลธรรมก็คงจะยากแต่ถึงยังไงเมื่อมีโอกาสอย่างนี้ละ่ะนานทีปีนึ่งพวกเราควรจะเข้ามาฟังแนวความคิดของพระสงฆ์ที่ท่านอยู่ใน พ, พุทธศาสนาที่ท่านปฏิบัติมาถ้าเราไปเรียนศึกษาในฝ่ายปริยัต ปริยัติก็คือตำรับตำราในพระไตรปิฎกคือฝ่ายปริยัติก็คือฝ่ายมหาปริยณโรงเรียนปริยัติธรรมพระอยู่ในเมืองอันนี้เป็นว่าการศึกษาปริยัติแต่ถ้าว่าพวกเรามาอย่างนี้มาหาหลวงพ่ออย่างนี้แปลว่ามาเรียนปฏิบัติปริยัติปฏิบัติปฏิเวทคือทำคำสอนของพุทธะปริยัติคือการศึกษาตำรับตารา ในเมื่อรู้วิธีการปฏิบัติแล้วรู้ตำรับกราราแล้วลงมือปฏิบัติในเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วผลแห่งการปฏิบัติคือปฏิเวทธรรมมันต้องไปด้วยมันต้องมาลักษณะอย่างนี้เพราะนั้นถ้าเราเรียนอย่างเดียวถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่ามเมื่อเราหิวอาหาร เราไปพูดแต่เรื่องเรื่องอาหารปรุงอย่างนั้นผสมอย่างนั้นแต่งอย่างนี้แต่งทำอาหารอย่างนู้นอย่างนี้เราก็ไม่สามารถที่จะลดความหิวของเราได้เพิ่มเพิ่มเพิ่มยังเพิ่มความหิวของเราอีกเพราะอหไรเพราะเราไม่ได้ทานอาหารมีแต่เราพูดเรื่องอาหารแต่เมื่อเราทานอาหารเข้าไปนั่นแหละจึงจะลดความหิวของเราได้ นี้ก็เหมือนกันนะะปริยัต์ก็คือการศึกษากล่าวถึงวิธีการทําอาหารในเมื่อเรารู้จักวิธีการทําอาหารแล้วทําอาหารลงมือทําอาหารจากนั้นก็เรารับทานอาหารความเราก็งดลดความหิวไปได้นี่แหละอันนี้ก็คือปริยัต์คือเรียนปฏิบัติลงมือปฏิบัติปฏิเวทผลแห่งการปฏิบัติคือความอิ่ม นี่แหละอันนี้ก็คือพวกเราเข้ามาศึกษาในคราวนี้ทั้งนี้นมาศึกษาหลายหลายแนวทางหลายครูบาอาจารย์แต่พวกเราจะศึกษาในแนวแถวสายของหลวงปู่มั่นที่เข้ามาศึกษาในจุดนี้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อจะขอแนะนําวิธีการปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เรื่องศีลการอยู่ด้วยกันอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่าศีลห้าของพุทธะ ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนสินห้าประการที่พระพุทธเจ้าท่านวางเอาไว้การหลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาอันนี้เรื่องศินต่อไปก็เรื่องสมาธิเนี่ยเรื่องสมาธิคือการทําจิตใจให้สงบทําจิตใจให้เป็นหนึ่งถ้าหาว่าพวกเราไม่ทําใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่ง จิตใจของเราปุ่งฟุ้งซ่านออกไปข้างนอกในหลักของพุทธะทว่ามีแต่ความเสียหายที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวไว้ว่าการส่งใจออกไปข้างนอกเสียหายทาให้เสียคนเสียคู่เสียคนเป็นบ้าเป็นบอได้เพราะส่งจิตส่งใจออกข้างนอกไม่มีการยับยั้งไม่มีสมาธิ แต่คนส่งสินค้าออกต่างประเทศส่งข้าวออกไปขายส่งสินค้าออกไปขายจะส่งอะไรออกไปขายในต่างประเทศคนนั้นเป็นผู้มีปัญญาได้กำไรได้กำไรในการส่งสินค้าไปต่างประเทศได้กำไรขายของแต่ถ้าว่าเราส่งจิตส่งใจออกไปนอกในความรู้สึกของเราปุ่งฟุ้งเกินไปทำให้เสียหายเสียหายอย่างมากเลย ถ้าว่าจิตใจมีสติสัมปชัญญะจุกับตนเองนั่นละผู้ดได้กำไรนี่แหละอันนี้ก็ขอให้พวกเราทุกทุกท่านเหมือนกันการส่งจิตส่งใจออกไปข้างนอกเสียหายให้อยู่สติมีสติสัมปชัญญะจุกับตนเองน่แหละดีมีประโยชน์ได้กำไรก็นั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านในหลักของพุทธะที น, น, นีพระพุทธเจ้าท่าน ได้ตัดสู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเราต้องพูดถึงพุท ธ, ธะซะก่อนเพราะบรมครูพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้ที่โขนต้นโพนะั่นแหละท่านทำยังไงทั้ง น, นั่นท่านนั่งขัดสมาธินะขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํำรงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจใจออกรัวาหายใจออก มีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกจากนั้นพระไทยใจของพระ อ, องค์รวมสงบเป็นหนึ่งเกิดยานรัศนะเกิดฌานระลึกชาติหนหลังได้อันนี้คือวิถีของพุท ธ, ธะที่ท่านได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือน6กเพยนั้นจากนั้นหลวงปู่มั่นของพวกเราที่เป็นสายต้นตระกูลของพระกรรมฐานหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่น ท่านก็ได้นํามาประพุทธปฏิบัติท่านบอกว่าถ้าหากว่าจะ ก, กําหนดลมหายใจเข้าออกอย่างพุทธะเนี่ยบางทีมันเผลอได้ง่ายพวกเราเป็นสาวะคือสาวกคือสาวกะพวกเราควรจะสามทัพพุทธโธก็ด้วยนะบริกรรมพุทธโธก็ด้วยหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโธถ้าพวกเราสังเกตว่าพุทธะในใจว่า ก, กําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกรู้ว่าหายใจออกอันนี้คือพุทธะแต่หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโธให้มีพุทโทด้วยในการภาวนาเนี่แหละอันนี้ก็คือต่างกันจั่หวะบริกรรมพุทธโธจังหวาเขาจึงตั้งว่าสายหลวงปู่มั่นสายภาวนาพุทโทนะเออเนี่แหละท่านบอกให้บริกรรมถ้ามันกําหนดธรรมดามันหลุดได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายท่านว่างั้น เพราะนั้นให้พวกเราเอาแนวแถวเนีบแบบสายหลวงปู่มั่นท่านบอล็กท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวจะเป็นกรรมัดครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ตามนะที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นแล้วท่านจะสอนให้ภาวนาพุทโธ ท, ทุกทุกองที่หลวงพ่อได้พบครูบาอาจารย์ทุกอ ง, งอคาาอง์สมัยที่หลวงพ่อเป็นพระน้อยพนมตะเวนกราบครูบาอาจารย์ไม่ว่าหลวงปู่เขาวไเหรอน้องบัวปู่น้องบัวน้องแสง เอหลวงปู่ต่างๆหลวงปู่ฟันหลวงปู่เทศเอสมัยนั้นที่หลวงพ่อจเวนกราบครูบาอาจารย์มิตรท่านสอนให้ภาวนาพุโทโธแล้วก็พร้อมกันในเมื่อท่านามีทำเมลิกิตเรื่อประวัติของท่านท่านก็สอนอีกอย่างลักษณะอย่างนี้แหละให้ภาวนาพุโทโธเหมือนกันแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างองค์หลวงตามหาบวญท่านพูดชัดๆเลยนะ อแต่ก่อนเรากําหนดภาวนาตามปกติกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจิตใจของเราเสื่อมเอหลงลืมได้ง่ายแต่เนี่นเรามาศึกษากับหลวงปูมงป่มัน่นหลวงปู่มั่นบริกรรมพธิโธนะเราก็บริกรรมตามแนวแถวหลวงปู่มัน่นท่านสอนโอ้อา จ, จากนั้นใจของเราตั้งหลักได้ใจของเราไม่เผลออันนี้หลวงตามหาบัวท่านก็ยืนยัน ตามหลักธรรมแนวแถวของพุทธแนวแถวของหลวงปู่มั่นนะจากนั้นท่านก็ภาวนาหายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจก็ออกบริกรรมโทแต่ทีนนี้เราจะมาย้อนดูว่าวิธีการปฏิบัติเบื้องต้นที่หลวงปูค่ครูบาอาจารย์สอนท่านจะสอนองค์อื่นหลวงพ่อก็ไม่มั่นใจแต่เถ้า่าครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่ล่าที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ท่านสอนหลวงพ่อในสมัยเป็นเนนน้อยนะเข้ามาบวชใหม่ท่านก็บอกว่าเออเอาเนนอินเนนน้อยเวลาจะหลับจะนอนให้กราบพระ ก, ก่อนเนอะกราบไปทางหมอนนั่นแหละเราหันทษะไปทางไหนไม่ต้องมีพระพุทธรูปล็อกพระพุทธรูปเพุทโธธรรมโมสังโขอยู่ทุกหัวและแหงทุกอยู่ในใจของเรานั่นแหละ แต่ไม่ใช่อยู่ที่อื่นเรากราบและเลิกถึงพุโทโธธรรมโอสังโฆกับพระพุทธเจ้าอยู่ในในจิตในใจของเราในใจในความความรู้สึกนึกคิดของเรานั่นแหละพุโทโธธรรมโมสังโฆอยู่ตรงนั้น เ, เราไม่ต้องไหว้มีพระพุทธรูปซะก่อนยังค่อยไหว้นะไหวไปทางหมอนของเรานั่นแหะที่หันเราหันศีรษะไปทางไหนเราก็กราบไปทางนั้นกราบพุโ ท, ทโธธรรมโอสังโฆแล้วกับปนมือนิพพานัง ข้าไปเจ้ากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อหวังพ้นทุกข์ในวัฏสงสารถึงพระนิพพาน เ, เราไม่ใช่กราบหลอกหลอกเล่นๆนะกราบหวังพระนิพพานจากนั้นก็ว่าอารหังอรหังสัมมาสัมพุทโธกราบสวาคาโตปคาวตาธโมกราบสุปฏิปัโนกราบจากนั้นก็ น, นโมตัสะปคาวโตวข้าไปเจ้าขอนอบน้อมแด่พระภูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ท่ได้มากกวนะ่านั้นอิติปิโสปะขวาอรหังกัสุทธเเทแต่ท่านได้เพียงแค่นี้ก็กได้ อ, อรหังสวัสดิ์แลก็นโมตตะแลจะจัหวะพุทธทางธรรมังสังขงังสัตวนางกัจฉามิก็ได้กัสุทธเเทแต่แต่ทําไม่ได้กันนะเพียง น, นโมก็พอแล้วละ่ะจากนั้นก็แผ่เมตตานะอย่าลืมแผ่เมตตาแค่แผ่เมตตานะในขจัหว่าทำให้ตนเองคนที่มีเมตตาไปอยู่ณสถานที่ใด อยู่ที่ใดก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขจะไม่มีใครมาเบียดเบียนตัวของเราเราไม่เบียดเบียนเขาเขาไม่เบียดเบียนเราให้แผ่เมตตาเป็นภาษาใจก่อนหน้าก่อนหลับก่อนนอนเราเมื่อไหวพระจบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แผ่เมตตาข้าพรเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพรเจ้าต้องการความสุขอย่างไร ผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรตตโลกธาตุขอให้มีความสุ ข, ขอย่างที่ข้าพรเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพรเจ้าปรารถนาทุกๆกดวงใจทุกๆ ก, กดวงวิญญาณด้วยเทินคือให้แผ่เมตตาเสาียก่อนถ้าคนที่แผ่เมตตาไปอยู่นะัสถานที่ใดเป็นสถานที่หน่ากลัวเป็นสถานอยู่ในปา่าช้าอยู่ในถ้ำไปจะผิดสถานที่ที่เขาว่าผีเข็ดผีหลอกอะไรก็ตาม ถ้าเรามีเมตตายอย่างนี้แล้วนะ อ, อยู่นสถานที่ใดเป็นมิตร เ, เป็นมิตรเป็นสหาย อ, าอยู่เย็นเป็นสุขด้วยกันเพราะเราไม่คิดว่าจะเบียดเบียนผู้หนึ่งผู้ใดใครผู้หนึ่งให้เป็นสุขด้วยกันข้าพเจ้าต้องการความสุขท่านก็ขอให้มีความสุขทุกทุกดวงใจทุกๆกดวงวิญญาณนะออกมาจากใจจริงอย่างนี้จากนั้นก็นั่งภาวนานะจากนั้นก็กราบอีกพุทโธธโมสังโฆนิพพานัง จากนั้นก็นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายในเมื่อขาขวาทับขาซ้ายแล้วให้ประนมมือสัก่อนไหวครูสัก่อนนะคือไหวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สัก่อนเราประนมมือขึ้นระหว่างอกสัก่อนแล้วก็ไหวพุทโธนึกพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆจากนั้นก็เอามือลงพอมือลงกําหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพุท หายใจออกบริกรรมโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโท่หายใจเข้าพุทธหายใจออกโท่นี่แหละอันนี้ก็คือการภาวนาถ้ามันยังเผลอไปมันเผลอไปมันคิดไปทางอื่นมันคิดไปในอดีตมันคิดไปเมื่อวานวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนคิดไปถึงเรื่องราวกันก่อนให้ดึงกลับมาให้มาอยู่กับพุทโถถ้ามันคิดปุ่งไปข้างหน้า วันพุ่งนี้หมดทีเนี่ยจะไปที่เนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศอย่างงี้มันวาดมโนภาดึงกลับมาให้อยู่กับพุโทโธไม่ใช่เวลาที่จะมาคิดเราภาวนาขณะนี้เราภาวนาเราไม่มั่งไม่ใช่มานั่งคิดนะให้สอนตนเองแต่ถ้ามันยังเอาไม่อยู่มันยังคิดปรุงไปอยู่มันยังเอาไม่อยู่ให้พุโทโธให้ถี่ท WOW นะ่านนะพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธแต่ไม่ต้องพูดออกปากนะให้สำทับกับตัว ผู้รู้นึกคิดอความนึกคิดของจิตของใจให้เอาสำทับกับดูกับตัวนั้นอยู่กับพุทโธตัวนั้นตัวที่นึกคิดนั่นแหละพุทโธให้ทีอันนี้เคยคือวิธีการภาวนาแต่หลวงพ่อขอแนะนําอีกอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดเคยกล่าวอบอกว่าถ้าหากว่าพวกเราภาวนาพุทโธพุทโธยังไม่อยู่เอ๊ะมันออกช่วงไหนวะมันออกช่วงไหนมันทำไมมันมันเอาไม่อยู่อะ มันเผลอไปช่วงไหนให้ทดลองนับเานี่หายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองสามสี่ห้าเอ่อแต่ไม่ต้องแต่งลมให้ให้ให้ลมเข้าตามปกติเอ่อจนถึงร้อยนะนับถึงร้อยทำให้เพลอนะถ้ามันเผลอตรงไหนกลับมาใหมา่อย่าไปนับต่อถ้าไปนับถึงยี่สิบมันเผลอไปแล้วให้นับมันเผลอมันเผลออย่างไร เ, เวลาหายใจเข้าเป็นเลขขีหนึ่งหายใจออกเป็นเลขคู่สอง ให้จะเข้าไปเลียกขี้สามสี่ห้าหกขี้คู่ขี้คู่ขี้คู่เวลามันจะเผลอมันจะบอเบอร์ซะก่อนนะมันจะคู่ขี้ทีนี่เอามันจะคู่ขี้แสดงว่าใช้ใบดาแล้วกลับมาเอกถ้ามันเผลอบ่อยๆไม่เป็นผลดีเพราะอะไรเพราะเราขาดสติบ่อยเกินไปเผลอๆจะเป็นอันใเมอร์และเป็นบ้าได้ไง่ายๆเหมือนกันนะเพราะคนขาดสติใช่ไหม เพราะนั้นสิ่งเหล่านั้นเราต้องพยายามตั้งสติให้เข้มแข็งขึ้นมาเออเราใช้ไม่ได้แล้วสติของเราทำไมเป็นอย่างนี้วะเราก็ต้องตั้งตนตั้งตั้งตนตั้งตัวใหม่ตั้งท่าใหม่จนนับถึงร้อยขึ้นมาแล้วกันนเออพยายามฝึกขัดสติให้อยู่กับตนเองนี่แหละวิธีการฝึกนะมันต้องฝึกนะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องฝึกนะไม่ใช่มันจะให้มันเป็นไปเองเป็นไปไม่ได้เพราะเราต้องฝึก เมื่อเราสติของเราดีอยู่กับพุโทโธพุโทโธจากนั้นจิตใจของเราก็จะรวมรวมสงบลงเป็นหนึ่งอจิตใจรวมเหมือนกับพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์จิตใจท่านจะรวมพอรวมเป็นหนึ่งพอรวมเป็นหนึ่งจิตใจรวมเป็นอัปปนาสมาธิเราจะไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงทางร่างกายเลยนะไม่ได้สัมผัสทางร่างกายจิตที่รวมรวมสงบ เป็น อ, ปอัปปนาสมาธิจิตที่ลวมเน่งเน่งเราจะไม่รู้สัมผัสทางกายร่างกายไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนอแต่ว่าจิตสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเน่งพอเน่งเท่านั้นพอจะนํากระถอนขึ้นมาตามปกตินะ่ะมันถอนนะอันน้นมันรวมพอมันรวมจะนั้มันกระถอนขึ้นมาอีกอพอมันถอนขึ้นมาเท่านั้นเราก็รู้ได้โอ้ใจเมื่อกี้เนะี่ยมีความสุขจริงๆ สมกับธรรมคำสอนของพระพทุทธเจ้าี่วานาถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีโอ้เราข้าพเจ้าได้สัมผัสเมื่อกี้เนี่ยจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเนี่ยเราจะรู้ได้ด้วยตนเองนะอันนี้ก็คือวิธีการภาวนาเมื่อจิตใจสงบแล้วนะเราจะรู้ได้ด้วยตนเองอีกต่างหากนะกายกับใจใจกับกา ย, เ, ยเห็นได้ชัดเลยท่นเนี่ย ตายแล้วเกิดด้วยตายแล้วศูนย์ไม่ต้องถามใครอีกตั้งหากเมื่อจิตโรมเป็นอัปปนาสมาธิร่างกายเห็นได้ชัดเหมือนกับรถแต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถหลวงพ่อเปรียบเทียบให้พวกเราท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบว่าร่างกายกับใจมันไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันนี่แหละในหลักธรรมคาสอนพุทธะทันว่าคนตายร่างกายในตายแน่แต่จิตใจออกจากร่างไปปฏิสนธิไปหาเกิด ไปอยู่บ้านใหม่อีกจ้ายบ้านเพราะบ้านนังนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วมันแก่เออมันหมดทุกทุกพลภาพแล้วเหมือนกัะรถคันนี้เบรคมันแตกไอ้ลูกสูบมันติดแล้วเครื่องมันพังแล้วเอไฟมันไหม้เครื่องแล้วเราจะไปขับได้อย่างไรพอมันหมดสภาพโซเฟอร์ก็ต้องไปหาซื้อรถคันใหม่ไปขับรถคันใหม่อีกต่อไปนีนก็เหมือนกันอะร่างกายของเราเป็นรูปประธรรม เมื่อใจของเราเป็นนามะธรรมออกจากร่างเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ความสําคัญในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่านให้ความสํำคัญเรื่องของนามะธรรมเนี่ยมากกว่ารูปธรรมอรูปธรรมคือร่างกายนามะธรรมคือจิตใจท่านจึงให้ความสำคัญกำจัดคําว่ามโนปุพังขมาธรร ม, มามโนเสรษฐามโนมายามโนคือใจนั่นแหะ ตัวผู้รู้ตัวนักคิดคือตัวนามมัธธรมนั่นคือมโนเใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาท่านจึงให้อบรมใจถ้าว่าใจของเราเนี่ยไม่ได้รับการอบรมใจโมโหโกธาใจเป็นนักเลงใจเป็นเป็นผูมศทะุลไม่รู้จักใจมิะเกตกิเลสครอบงำกิเลสราคะกิเลสโทส ะ, คคทส ะ, ทสะกิเลสโมหะครอบงา ใจของเราก็เดือดร้อนอวุ่นวายไปหมดเลยไงเพราะอะไรเพราะใจของเรามีแต่กิเลสโลภโกรธหลงครอบงำในเมื่อมีกิเลสโลภโกรธหลงครอบงำจะทําอะไรทําตามอําเภอใจทําตามอัตถาใจ เ, เมื่อขับรถคันนี้คืออยู่ในร่างกายมันจะทําอะไรก็ได้กําปั้นชกใครก็ได้เหมือนกับรถถ้าซเฟอร์รถไม่มีคุณธรรมไม่มีสมบัติผู้ดีไม่มี คุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมพอขับรถไปแล้วก็เหยียบคันเร่งชนกำแพงก็ได้ลงมาผาลงเหวชนคู่ชนคนได้หมดทุกอย่างเพราะอะไรเพราะโซเฟอร์ไม่มีคุณไม่มีคุณธรรมในจิตใจเพราะนั้นหลักธรรมคำสอนของพุทธเถรยังให้อบรมใจอบรมโซเฟอร์ให้เป็นโซเฟอร์เป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีถ้ายมมโนปุพังขมาธรรมา แต่เมื่ออบรมดีแล้วหนยะจิตใจโซเฟอร์นะั้นเป็นผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเลิศประเสริฐ เ, เลิศประเสริฐจ่ที่ใจมนุษย์มนาจะเป็นท่านผู้ไรก็ตามจะเลิศประเสริฐก็เพราะดวงใจตรงนั้นตัวนามธรรมนะเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างพระพุทธเจ้าท่านก็มีธาตุขันธ์ร่างกายเหมือนกับมนุษย์ มีตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนกันกับมนุษย์แต่ใจของท่านเป็นพุทธะเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใจของท่านเป็นพุทธะเนี่ยเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจเป็นมาในอันดับหนึ่งเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านพุทธศาสนานสอนเรื่องของใจตัวนามธรรมน่ยที่มองไม่เห็นนั่นแต่ในร่างกายของเรามีอยู่สอง แต่โลกทั้งโลกเขานให้ความสําคัญเรื่องของร่างกายมากกว่าแต่หลักของพุทธศาสนาถ้าเราศึกษาให้ลึกซึงเข้าไปแล้วท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจมากกว่าที่ว่ามโนผุดพังคํำนั่นล่ะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านคณะสัตยทาญาติโยมทุกๆท่านเออเข้ามาศึกษาในหลักของพุทธะเนี่ยพุทธศาสนาสอนอย่างในตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกสิ่งที่เกิดคืออะไรถ้าทําจิตใจให้สงบแล้วเราจะรู้ได้โดยตัเอง ในเมื่อร่างกายแตกร่างกายสลายต่างกายหมดทุกพ ล, ลภาพหมดสภาพตายไปแล้วเอาไปเผาไฟทิ้งแล้วเน่ยจะกิตใจดวงนะั้นตัวนมามวาธรรมเนะ่ยจะไปปฏิสนธิไปหาเกิดที่อื่นอีกสุดแท้แต่บุญกุศลจะพาไปถ้าเรามีบาปอกุศลบาปจะพาไปพาไปตกต่ําไปเกิดเป็นช้างม้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่ไปได้ทั้งนั้นท่านว่าถ้าว่าเราประพฤติเป็นตนเป็นคนดีถ้าออกจากครั้งนี้แล้ว จะไปเกิดเป็นจะไปเกิดเป็นมนุษย์ตระกูลไหนเราไปเลือกเกิดได้จากนั้นไปสู่สวรรค์ชั้นไหนก็ไปได้ไปพรหมชั้นไหนก็ไปได้ตลอดถึงไปออผอมมโลกจนสวรรค์นิพพานก็ไปได้ถ้าเราหมดกิเลสก็ไปได้ใจตรงนั้นหมดกิเลสราคะโทสะโมหะจิตใจที่บริสุทธิ์จิตใจที่ไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะจิตใจเป็นอิสระ เป็นจิตใจที่เป็นธรรมเป็น อ, อ, อมตะธาตุเป็นอมตะธรรมแปลว่าใจหลงนั้นหมดจดจากกิเลสแล้วก็เข้าสู่นิพพานอันนี้คือหลักของพุทธะนะบัขอให้พวกเราคณะสัทยาญาิโยมทุกทกท่านนะต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้ผ่านํำนั่งสมาธินทตนีนะเอานั่งขัดสมาธินนีนะขาขวาทับขาซ้ายเหมือนพระประธาน ถ้าหัท่านั่งไม่ได้ก็จะนั่งพับเพียบก็ได้ตามัทธยาไสนะานั่งได้ก็นั่งคัดสมาธิเพราะว่าร่างกายของเราจะได้นั่งตรงนะถ้าหัวนั่งพับเพียบมันเอียงข้างใดข้างหนึ่งท่านว่านะเพราะนั้นท่านจะให้นั่งคัดสมาธิทำกายให้ตรงพอจะได้ร่างกายมันจะได้อยู่ยในท่าท่าตรงเพราะทั้งขาทั้งสองข้างมันออกไปทั้งสองข้างท่านเรานั่งพับเพียบ มันจะเอียงข้างใดข้างหนึ่งเนพะนั้นท่านเจอให้นั่งสมาธนะิในเมื่อเรานั่งสมาธิแล้วนะปนมือขึ้นระหว่าง อ, อกคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สก่อนพุทธโธธัมโมสังโฆพุทธโธธัมโมสังโฆพุทธโธธัมโมสังโฆสามจบจากนั้นเอามือลงแล้วก็กำหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโทเจะว่าบังคับ ก, ก็ว่าบังคับนะเมื่อให้มันจิตไปที่อื่นในเมื่อพอภาวนาไปแล้วนะถ้าได้เวลาแล้วพอสมควรนะหลวงพ่อคงจะไม่ไม่พานั่งนานเป็นธรรมเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้ฟังได้เห็นได้เห็นได้ศึกษาจากนั้นต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราไปอยู่ที่บ้านของเราหรือไปอยู่ในสถานที่ใดเราปฏิบัติเราก็จะได้นํามา ปฏิบัติได้อย่างที่หลวงพ่อเดแนะนำสั่งบอกกล่าวนะตอนนี้ไปกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อใดกำหนดแล้วหลวงพ่อจะบอกว่าเอาพอนั่นยังค่อยออกนะ